สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากทีวบานครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุตพระเยซูตอนที่สามร้อยแปดสิบเรื่องความร่ํารวยครั้งที่หนึ่งพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่สิบเก้าข้อที่ยี่สิบสามและยี่สิบสี่โปรดฟังพระเจ้าของร เ, เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าคนบางมีจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ก็ยากเราบอกท่านทั้งหลายอีกว่าตัวอุด จะลอดดูเข็มก็ง่ายกว่าคนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าในวันนี้นะครับวัตถุประสงค์ของพระวจนะพระเจ้าและบทเรียนที่ผมจะแบ่งปันในเช้าวันนี้ก็คือเราต้องอย่าให้ความร่ำรวยเป็นอุปสรรคในการเข้าแผ่นดินสวรรค์ในขณะเดียวกันจงใช้ความร่ำรวย ที่พระเจ้าประทานให้กับท่านนั้นเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือในการสร้างความร่ํารวยบนสวรรค์พี่น้องครับบนสวรรค์นั้นเราร่ํารวยได้ครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเราร่ํารวยเงินทองเพราะว่าเงินทองนั้นก็ไร้ความหมายนะครับบนสวรรค์นั้นถนนนั้นก็ปู ด, ด้วยทองคํา ตามที่วิวอนได้บอกกับเราพี่น้องครับหลายคนได้หลงหลงไปในโลกนี้เพราะว่ามุ่งสแสวงหาแต่ความร่ำรวยมุ่งสแสวงหาแต่เงินทองจนลืมให้เวลาครอบครัวเมื่อวานนี้ผมได้กล่าวถึงว่าคุณภาพของการที่เราจะให้ความรักกับครอบครัวนั้นก็คือแปลตามเวลาครับแปลตามเวลา เมื่อแปลตามเวลาคุณภาพของเวลาที่ใช้กับครอบครัวนั้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้เวลาที่มีเท่าก right. ันนั้นมีคุณค่าขึ้นมาเพิ่มค่าขึ้นมานะครับสำฤทธิ์ผลอย่างดีเพื่องครับในพระจนาพระเจ้าอีกตอนหนึ่งมัทธิวบทที่ยี่สิบข้อที่ยี่สบหกขอถึงยี่สิบเจ็ดเีกกล่าวว่า ถ้าผู้ใดใคร่จะเป็นใหญ่ในพวกท่านผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ปรนิบัติท่านทั้งหลายถ้าผู้ใดใคร่จะเป็นเอกในพวกท่านผู้นั้นต้องเป็นท่าสมัครของพวกท่านพระเยซูกำลังสอนว่าคนที่อยากจะปกครองหรือคนที่อยากจะใหญ่เป็นใหญ่เป็นโตในข้ามกลางหมู่ผู้เชื่อนั้นเขาทั้งหลายจะต้องเป็นผู้ปรนนิบัติรับใช้คนอื่นนี่ถึงแสดงถึงความเป็นใหญ่เป็นโตครับ ความเป็นใหญ่บนแผ่นดินสวรค์นั้นเป็นเรื่องราวของความการรับใช้หรือความเข้มแข็งเข้มข้นในการรับใช้คนอื่นไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานภาพความร่ำรวยเงินทองที่ตัวเองมีอยู่หรือขึ้นอยู่กับสถานภาพที่คนให้ทีน้นะครับผู้เขียนพ ก, กิตติคุณทั้งสามเล่อนั้นได้รวบรวมเรื่องราวของเศรษฐีหนุ่มคนหนึ่งนะครับที่เราพบ ในพระธรรมัถิบที่สิบเก้าเฉธิหนุ่มคนนี้ตัวเขาก็กลายเป็นอุปสรรคครับเพราะเนื่องจากความร่ำรวยของเขาเองและเขาไม่สามารถที่จะสลัดเอาความรักในเงินทองหรือสลัดเอาอนาคตที่ได้วางไว้เป็นความมั่นคงในชีวิต ที่อยู่กับเงินทองเขาไม่สามารถสลัดหลุดตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นทำให้เกิดพระคัมภีร์ที่เป็นคำสอนของพระเยซูที่ว่าตัวอูดจะลอดหนูเข็มก็ง่ายกว่าคนบงนังมีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าดังนั้นเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเพราะว่าท่านนายแพทย์ลู ก, กานั้นบันทึกละเอียดเวลาที่คนจะบันทึกเรื่องราวต่าง ผู้เขียนพระเกตุทคุณสามเล่ม น, นั้นต่างก็มีอุปนิสัยไม่เหมือนกันนะครับคุณหมอลูการนั้นบันทึกรายละเอียดมากเวลาที่พระเยชูทำการอัศจรรย์ในการรักษาโรคเพราะว่าท่านเป็นหมอใช่ไหมครับท่านก็บันทึกเรื่องราวการอัศจรรย์ในการรักษาโรคไว้อย่างละเอียดรอบคอบแต่ในขณะที่มัตถิวซึ่งเป็นเดิมเป็นคนเก็บภาษีมาก่อนก็พิถันพิถีพิถันกับตัวเลขนะครับรายชื่อต่างๆ และสถานที่อันนี้แม่นยำชัดเจนนะครับชวนมารโกมารโกนั้นก็เป็นสาวกติดตามพระเยซูมาตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับก็เขียนหนังสือเล่มที่เรียกว่ามีเนื้อหาที่กระชับถ้าเทียบกับอีกสองท่านข้างต้นนั้นก็ถือว่าเป็นเล่มเล็กที่สุดไม่ค่อยจะเก็บเอาทุกสิ่งที่มีอยู่ในพระคดีคุณเล่มอื่นๆเข้าไว้ แต่ถึงกระ น, นั้นทั้งสามท่านนั้นก็ยังรู้สึกว่าคําสอนของพระเยซูเรื่องเนี้นครับเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะฉะนั้นทั้งสามท่านก็บันทึกไว้หมดมีชายหนุ่มคนหนึ่งมาเฝ้าพระเยซูนะครับลูกาบอกไว้ในข้อที่สิบแปดว่าเขาเป็นขุนนางหมายความว่าเขาคงจะเป็นสมาชิกของสภาหรือบางทีก็อาจจะเป็นผู้ปกครองในธรมารมศาลา เป็นผู้หลักผู้ใหญ่พอสมควรครับในสถานภาพแบบนี้และเป็นคนร่ำรวยชายหนุ่มคนนี้วิ่งมาหาพระเยซูคุกเข่าลงทูลถามพระเยซูว่าท่านอาจารย์ผู้ประเสริฐพระเจ้าจะทําประการใดดีจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์พระเยซูตรัสว่าท่านเรียกราว่าประเสริฐทําไมไม่มีใครประเสริฐเว้นแต่พระเจ้าองค์เดียวพระเยซูทรงอ้างว่าพระเจ้าเป็นแหล่งแห่งความดีเลิอดประเสริฐตรง มีพระประสงค์จะให้ขุนนางผู้นั้นยกย่องพระเจ้าสำหรับการดีที่พระเยซูได้ทรงกระทำพระเยซูตรัสบอกชายผู้นั้นว่าคุณสมบัติที่จำเป็นที่จะต้องมีก็คือการถือรักษาพระบัญญัติวัดทิวแล้วว่าชายหนุ่มนั้นถามพระเยซูว่าพระบัญญัติข้อใดมาระโกลูกาไม่ได้บันทึกคำถามชายหนุ่มตอนนี้ไว้คำถามนี้ถ้าเรามาดูกันนะครับ นับว่าเป็นคําถามที่ดีมากเพราะว่าพวกฟาริสีพวกธรรมจารย์ได้เพิ่มธรรมบัญญัติอีกหลายร้อยข้อไว้กับพระบัญญัติที่พระเจ้ามันชาให้กับโมเสสแสดงว่าพวกธรรมจารย์พวกฟาริสีนั้นก็พยายามที่จะวาดหรือเขียนทางนะครับที่ละเอียดที่บังคับให้คนยิวจะต้องถือปฏิบัติตามและใช้คําว่านิชีวิตนิรันต์รวมกันด้วย พี่น้องครับในข้อนี้เพิ่งจะใช้เป็นครั้งแรกในพระกิติคุณมัทธิวยอนใช้คํานี้บ่อยมากครับคํานี้มีความหมายเหมือนกับคําว่าได้รับการช่วยให้รอดหรือการเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ที่ใช้ในพระกิติคุณเล่มอื่นๆชายหนุ่มคนนี้ปรารถนาชีวิตนิรันดร์ครับพระเยซูตอบคําถามของชายผู้นี้ด้วยเรื่องว่าด้วยเรื่องพระบัญญัติข้อใด พระ อ, องค์รงเอ่ยถึงคำว่ามันิยห้าข้อจากจากพระบัญญยากปิดประการครับคืออย่าฆ่าคนอย่าล่วงประเวณีอย่าลักทรัพย์อย่าเป็นพยานเท็จจงให้เกียรติดีดามานดาพี่น้องสังเกตนะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่สิบเก้าข้อสิบเก้าจะเห็นว่ามัทธิวเพิ่มเติ ม, เ, ตมเข้าไปคือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองการเพิ่มเติ ม, ตมนี้ ข้อนี้ไม่ได้อยู่ในบัญญัติสิปประการครับในอุปรยโบที่ยี่สิบเป็นบัญญัติสิประการแต่พระคัมพีข้อนี้จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองปรากฏอยู่ในเลวีนิติบทที่สิบเก้าข้อสิบแปดเป็นบัญญัติที่พเยชูประกาศให้เมื่อทรงเล่าคำอุปมาเรื่องชาวสมารียใจดีและพะเยชูก็ยังทรงสรุปย่อพระบัญญัติทั้งหมดของโมเสศ ให้เหลือสองข้อก็คือจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเรียกว่าเป็นพระมหาบัญญัติครับซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่สิบข้อยี่สิบเจ็ดพี่น้องครับคำถามก็คือว่าการเชื่อฟังพระบัญญัติจะทำให้เกิดความรอดได้หรือไม่คำตอบคือพระองค์ไม่ได้หมายความว่าการเชื่อพระบัญญัติ จะเท่าเทียมกับความรอดแต่แต่คำว่ามัจจานั้นเป็นสิ่งที่เราสามารถใช้เป็นมาตรฐานของการดำรงชีวิตการดำเนินชีวิตและความประพฤติของเราคุณนางผู้นั้นตอบว่าข้อความเหล่านั้นข้าพเจ้าถือรักษาไว้ตั้งแต่เด็กๆมามรารโกได้บันทึกว่าพระเยซูทรงเพ่งดูคนนั้นด้วยความรักและกล่าวกับเขาว่าท่านยังขาดอยู่สิ่งหนึ่ง จงไปขายบรรดาสิ่งของซึ่งท่านมีอยู่แจกใจ่ายให้คนอนาถาแล้วท่านจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์แล้วจงตามเรามาและเป็นสาวกของเราพี่น้องครับบทเรียนในวันนี้อย่าให้ความร่ำรวยเป็นอุปสรรคแต่จงใช้ความร่ำรวยเงินทองของท่านเป็นอุปกรณ์ในการเข้าสู่สวรรค์และสะสมทรัพย์บนสวรรค์อาเมน